เพียงแค่อึดใจต่อมาเท่านั้นทั้งเชษฐถาและดารินก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงพักพวกที่ลับตาไปในหมู่หินเบื้องหน้าร้องกันเออะโวยวายฟังไม่ได้สับรวมทั้งการเคลื่อนไหวแตกตื่นชุละมุนทิ้งของรถกระต้ซอกหินเร็วนั่นเป็นเสียงตะโกนสั่งการกล้องของอนุชาวราริตและมีเสียงแผนสะบดลั่นของชัยยันพร้อมกับเสียงดองร้องดองังเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย hey! อะไรวะนี่ลำลักกันไปหมดสองพี่น้องที่เดินรางทายชงักตะลึงงานอย่างไม่อาจคเนหรือทราบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพักพวกเบื้องหน้าซึ่งองห่างออกไปไม่เกิน20เมตรในหมู่หินและต้นไม้ลักษณะสวยงามประหลาดอันเป็นสภาพของภูมิประเทศแถบนั้นและก่อนที่จะเคลื่อนไหวอย่างใดได้ทันก็ปรากฏเสียงต้ม เสียงสนันวันไหวไปหมดแน่ละ่ะเสียงเหล่านั้นเป็นเสียงลูกซองซึ่งเป็นของพวกลูกหาดมันดังติดต่อกันขึ้นประมาณเจ็ดแปดในลนักษณะยิงตะลุปบอลท่ามกลางเสียงโวยวายแซ่สนันไปหมดเชิาพลักน้องสาวไปนอนกลิ้งอยู่ในซอกโคถิ่นข้างทางในขณะที่ตนเองก็กระโจนตามลงไปด้วยเงาของไอ้แมลงปอยกักษ์ามสี่ตัว แต่ละตัวมีขนาดไม่เล็กไปกว่าที่เห็นเกาะอยู่บนยอดโรงครั้งแรกโฉบทลาสวนกับมายังยอดหินบางตัวบินผ่านเลยไปบางตัวก็บินกระทบหินโดยแรงแล้วกลิ้งกระเด็นลงมาบิดตัวดิ้นอยู่ตามพื้นและแง่หินใกล้ๆบริเวณบริเวณไปีกลลำตัวของมันมองเห็นชัดว่าเว่อ ร, อรไปด้วยอำนาจเม็ดลูกปลายของกระสุนลูกซองบางก็แทะไถหมุนตัวจี ไปกระทบพื้นดังสนัน่นบ้างก็ลงมานอนนิ่งและตัวหนึ่งที่บริเวณหัวของมันขาดกระเด็นหายไปแล้วได้ลนลงมาเกือบถูกเชิดถาหมุนปัดเป็นวงกลมอยู่ตรงนั้นฝุ่นจากทรายบริเวณที่มันกระพือปีกอยู่ตลอดอยู่ตลอดนั้นลอยตลบเข้าหน้าดารินผู้กําลังหมอบกระแตะอยู่จนต้องเอามือปิดหน้าและบนอากาศเหนือศีรษะของพี่น้องทั้งสองนะักบัตรนี้ ก็เต็มไปได้วยฝูงแมลงปอขนาดใหญ่ยักษ์ซึ่งบินชวัดเวียนอยู่ไปมาเต็มไปหมดดูเหมือนกับว่าพวกมันจะแห่กันมาจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งซึ่งฝ่ายมนุษย์ไม่ทันสังเกตเห็นมาก่อนลักษณะท่าทีของมันดูยากว่าจะเข้าเข้ามาเป็นการบินแบบตกใจแตกตื่นหรืเจตนาที่จะพุ่งเข้ามากลุ่มรุมทร้ายกลุ่ ม, มนุษย์กันแน่แต่สภาพการบินที่คล่องแคล่วจับไว ราวกับเครื่องบินไอพ่นตลอจนขนาดลำตัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจอย่างยิ่งจิงอยู่แม้คำนวณจากขนาดแล้วมันไม่อาจจะโฉบร่างกายขนาดมนุษย์ให้ติดตรองเขี้ยวหอบผิวพาบินไปในอากาศได้ก็จริงแต่ถ้ามันบินเข้ามาเพื่อหมายกัดขย่ําก็ย่อมจะสร้างบาดแผลชกันเวอะแวขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่ทุรที่รู้ชัดออกไป นอกจากเสียงยิงและเสียงของความชุลมุนวุ่นวายของพรรคพวกที่ห่างออกไปเบื้องหน้าก็น่าจะพิสูจน์ได้ว่าพวกมันคงจะถูกโจมตีเข้าให้แล้วมิฉะนั้นก็คงไม่โอลมานยิงกันสนั่นวันไหวอยู่ขณะ น, นี้ริ้วปีกที่กระพืออยู่เบื้องบนมีทั้งสีแดงฟ้าเหลืองและดำสนิทใบทั้งตัวลักษณะของมันก็คือแมลงปอธรรมดาอย่างที่เคยเห็นนั่นเอง ผิดกันก็แต่เพียงขนาดอันใหญ่โตมโหฬารกว่าเป็นหมื่นหมื่นเท่าเท่านั้นและธรรมชาติของแมลงปอก็คือชอบที่จะบินโฉบจับแมลงที่เล็กกว่ากินเป็นอาหารซึ่งความว่องไวของมันสามารถที่จะไล่จับได้กลางอากาศทีเดียวและนับประษาอะไรกับมนุษย์เดินดินที่มีความคล่องแคล่วรวดเร็วน้อยกว่าแมาลงอันมีปีดารินสะดุ้งตัวสุดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง รีบลดมือที่ปิดหน้าเพราะถูกฝุ่นปลิวเข้าตาเมื่อได้ยินเสียงปืนสั้นจุด 4-4 ในมือของชายเสียงมันแพรสนานใกล้ๆตัวขึ้นมาสองนัดซนๆภาพที่หลอนเห็นเจ้าตัวสีดำมันมีลักษารวดเร็วคล่องตัวอย่างที่สุดซึ่งฉลับลงมาใกล้บริเวณที่หลอนและเช่ถามหมอบเคียงกันอยู่พั ง, งะลางอากาศเศษของเหลวภายในลำตัวส่วนบนของมัน พร้อมขนปุยกระจายว่อนแล้วมันก็หงลำตัวหล่นพลากลงมากระทบโคหินทางด้านปลายเท้าของหล่อนที่ลบอยู่ไม่ห่างออกไปนักพลิกหมุนหายวักไปทางด้านหลังของซอกโคหินนั้นดารินภาวาไปตะครุบไรเฟิลจุดสาศูนย์ศูนย์เวทแม็กของหล่อนเชษดาก็ตะโกนลั่นมาเร็วหรือว่าปืนสั้นน้อยไรยเฟิลยิงไม่ทัน หญิงสาวคว้าด้ามปืนสั้นข้างเอวกระตุกออกมากำกระชับไว้มั่นแล้วปิกตัวไปนอนหมอบฟังภาพในท่าที่ถนัดขึ้นจับปืนทั้งสองมือสองปากลํากล้องตามการบินอยู่สับสนใบมาของเจ้ามังกรบินเหล่านั้นแต่หล่อนก็ไม่ลั่นกระสุนออกไปมีแต่เสียงแหลมที่ร้องขับไล่ออกไปเท่านั้นไปพน้นไปพ้นเดียวนี้ไปไป น่ไม่ฟังเสียงเขาปล่อยกระสุนปืนสั้นในมือออกไปอีกนัดหนึ่งอย่างคนที่ตัดสินใจเฉียบขาดเจ้าตัวสีฟ้างามซึ่งบินผ่านมาทางด้านหลังไปทางด้านหน้าในแนวตรงถูกเข้าอยังจังจากใต้ท้องทะลุออกลำคอด้านบนบริเวณเชื่อมต่อกับส่วนสีสษะทำให้หัวของมันขาดห้อยร่องแรงทันทีปากลงชนพื้นทรายเบื้องหน้าพลิกตีลังกาไปอีกสองสามทอด เพราะความแรงของพลังปีกที่ทรงตัวมาถึงการเอวังลงตรงนั้นอย่างสนิทนิ่ส่วนทางด้านของพักพวกเบื้องหน้าก็คงได้ยินเสียงปืนลูกซองระดมแตกสนั่นเส่ซ้ำกันอยู่อีกพักใหญ่ระคนไปกระเสียงสั่งการฟังไม่ได้สับของอนุชาและนานอินท้องฟ้าโดยทัศนวิสัยทางด้านของเชษฐาน ด, ดาลินก็ยังคงเห็นพวกมันอีกเป็นจานวนนับไม่ถ้วน ลานตาไปหมดหากันบินพลิกแพลบวนเวียนอยู่เหนือศีสะไม่สูงเกินไปนักสับสนกันไปหมดเชื่อท้าระเบิดจุด44แมกนัมของเขาของเขาไปอีกสามนัดแต่คราวนี้ดูเหมือนจะไม่ถูกพวกมันเลยหรืออาจจะถูกก็คงไม่เข้าจุดสำคัญจนถึงขั้นที่จะสอยให้มันร่วงลงมาได้อดีตท่านทูตทหารบก เปิดโม่ออกกระแทกบลอกเก่าทิ้งระหว่างที่ล้นลานบรรจุชุดใหม่ซึ่งไม่ทันใจต่อเหตุการณ์เข้าได้เข้าเข็มในขณะ น, นี้เขาก็แผลตะโกนไปทางน้องสาวยิงสิน้อยยิงว่าเดี๋ยวมันก็โฉบลงมาตรงนั้นหละดารินเหนียวไกปืนสั้นจุดสามห้าเจ็ดของหลอนออกไปนัดหนึ่ง ไม่เจตานาที่จะหมายไปยังเจ้าแมาลงปอตัวใดนอกจากใช้เสียงกำบ้นาทของปืนเพื่อให้เป็นเครื่องขับไล่เท่านั้นเจ้าตัวที่โฉบก็ามาใกล้ที่สุดบินลบแวบแล้วหอ่อแนบลับแง่หินไปสามสี่ตัวที่กำลังโฉบต่ำอยู่เหนือบริเวณยอดหินก็บินขึ้นสูงหมดไปวนเวียนอยู่เหนือยอดยอดโปรง่งที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้าพอเชิดาบรรจุกระสุนใหม่เสร็จ ดาดินยิงอีกนักหนึ่งไปยังกลุ่มเจ้าพวกที่บินพลาขึ้นสูงหัวกระสุนตัดตุ่มเง่ของต้นกาฝากเป็นสะเก็ดกระจุยกระจายไปกระทบลำตัวและปีกของมันพวกมันจึงบินอ้าวออกผลรัศมีความแม่นยำจากปืนสั้นของเชิฐาซึ่งร้องออกมาอย่างขาดใจปะโถน้อยยิงยังไงไม่ถูกเลยสักตัวหนึ่ง แล้วก็ก็สวดส่งไล่หลังไปอีกสองตุมมันปราศจากผลนอกจากช่วยขับให้มันบินลับไปจากสายตาเท่านั้นเสียงปืนประเภทลูกซองของ พ, กพวกเบื้องหน้าบัดนี้สงบเงียบลงแล้วแต่เสียงผู้จา ก, กันแตกตื่นลงเลงยังแซ่อยู่จับสับไม่ได้ เชีถ่ถาป้ายเหงื่อจากหน้าผากสลัดออกไปพร้อมกระถอนใจเฮือหันมามองดูน้องสาวซึ่งถือปืนสั้นเฉยอยู่สีหน้าของหลอนปกติไม่มีแววยินดียินร้ายอะไรทั้งสิ้นตา ย, ยังคงจับมองไปยังฝูงแมลงปอซึ่งบินโกยแนบไปไกลลิบๆิเหล่านั้นพี่ชายใหญ่แทบจะตบชาดลงกลางหลังน้องสาวดีแต่ยั้งมือไว้ทัน ได้เถอน้อยเธอไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยที่ตะกลางอยู่ตรงนี้ด้วยเขาคงจับเธอแทบโมกซไซไว้ตรงนี้อ่ะไม่ก็ปล่อยไอ้แมลงปอยักษ์พวกนั้นฉวยประตูไปแล้วโดยไม่ห่วงอะไรอีกเฮ้ยเชิดถาพูดออกมาอย่างหัวเสียพลางสันหน้าไปมาดารินหันมายิ้มให้กับพี่ชายอย่างสงบไม่แร้กค่ะพี่ใหญ่ แมลงสวยงามพวกนั้นไม่มีวันโฉบน้อยอย่างเด็ดขาดมันก็เพียงแค่แมลงปอเท่านั้นแหละแม้ตัวมันจะยักษ์ใหญ่สักแค่ไหนก็ตามขนาดสิงโตภูกเขาแม่ลูกอ่อนน้องยังเข้าน้อยยังเข้าไว้อุ้มลูกมันได้เลยแล้วก็ปล่อยพวกเราทั้งหมดเดินผ่านถิ่นของมันโดยไม่ได้แสดงฤทธิ์เดชอะไรแม้แต่น้อยและนับประษาอะไรกระสับก์ะสิกสวยงามซึ่งปกติก็ไม่ได้ดูร้ายอะไรนักพวกนี้ นี่ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ไปทำอะไรเขาพวกเราข้างหน้าคงจะแตกตื่นตกใจไปเองอะขนาดที่มันบินโฉบลงมาทักทายก็เลยเกิดการยิงกันขึ้นขนาดใหญ่หน่าสงสารนะพวกมันคงถูกยิงตายไปหลายตัวไม่น่าที่จะต้องมามีบาปกรรมกับเรื่องไม่จำเป็นอย่างนี้เลยพี่ชายใหญ่พยายามสะกดกลั้นความรู้สึกบางอย่างในขณะ น, นั้นหัวราแค่นันเฮ้ เดี๋ยวนี้พี่ไม่สงสัยแล้วไม่สงสัยจริงๆอะ่ะว่าทําไมกลางคขถึงได้ขเขม่นขี้หน้าของน้อยนะก็คงเป็นเพราะพยายามที่จะเป็นนักบุญท่ามกลางมหาภัยที่กําลังดักคอยที่จะขยําหัวอยู่งนี้ละมะั้งนี่ถ้ายังอยากจะทําตัวเป็นพระธุดง์อย่างเงี้ยพวกเราก็คงจะพินาศล้มตายกันซะ ก, ก่อนละน้อยพี่ใหญ่คะศีลและศักดิ์อย่างพระธุดง์เช่นที่พี่ใหญ่ว่าน น้อยนี่แหละค่ะที่จะทำให้การเดินทางครั้งนี้ของเราปลอดภัยได้มันไม่ใช่พลังอำนาจจากลูกปืนใดๆทั้งสิ้นและพี่กลางเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้เขม็นขี้หน้าน้อยแล้วละ่ะเพราะเข้าใจน้อยดีแล้วแต่พี่ใหญ่ที่เคยเข้าใจน้อยมาตลอดซะอีกสิคะกลับกำลังจะไม่เข้าใจนี่หมายความว่าไงหมายความว่าน้อยจะเอาตัวรอดเพียงคนเดียว เพราะถือว่ามีอำนาจอะไรชนิดหนึ่งคอยคุ้มครองป้องกันตัวยังงั้นเหรและชีวิตของพวกเราคนอื่นๆที่เสียเสียสลามากันน้อยเนี่ยเชิดฐาจ้องหน้ายัางฉุนฉุนน้องสาวยิ้มให้อีกครั้งนึง่งพี่ใหญ่คะน้อยไม่คิดเห็นแกนตัวถึงขนาดนั้นหรอกคะ่ะแต่ทุกคนดูเหมือนจะไม่ยอมเชื่อฟังน้อยมั่งเลย ถ้าหากว่าเกิดเ ห, เหตุร้ายสำหรับพวกเราคนใดคนหนึ่งขึ้นมาจริงๆโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นัอนก็พร้อมที่จะป้องกันชีวิตของเขาคนนั้นไว้เสมอไม่ว่าจะใช้ปฏิบัติการที่รุนแรงเพียงใดแต่นี้มันยังไม่ถึงขั้นนั้นอปลิวลองสอบถามพวกข้างหน้าดูก็ได้นี่คะว่าพวกเรามีใครได้รับบาดเจ็บจากเจ้ า, มาแมลงปอพวกนี้บ้างไหมขาดเสียงของหล่อน ก็มีเสียงรัวเร็วปรือละล่ำละลักดังมาจากวิทยุพี่ไอน้อยตอนนี้อยู่ไหนอ่ะเชษฐาขยี่ปลายจมูกจะงุดงิดแล้วคว้าวิทยุขึ้นมาตอบเราสองคนปลอดภัยอะทางเธอตางพวกมันไปไปกันหมดแล้วเหรอครับไปกันหมดแล้วถูกยิงเกลือนอยู่ในเจ็ดแปดตัวเออทางนี้ก็หล่นอยู่สองสามตัว ว่าแต่พวกเรามีใครได้รับอันตรายจากการโจมตีมากงไหมอดีต ท, ท่านทูตทหารบกสอบถามไปเร็วเ็วโชคดีมากครับพี่ใหญ่ไม่มีใครบาดเจ็บเลยละ่ะนอกจากตอนวิ่งชุลมุนกันอยู่ก็ล้มลุกคลุกคลานไปชนแห่หินถลอกปอกเปิกไปบ้างก็ได้อาศัยลูกซองจากพวกลูกหายิงปะทะไว้ได้ยินดังนั้นดารินก็หันมายิ้มกับพี่ชายใหญ่อีกครั้งนึง กระซิบว่าเห็นไหมคะพี่ใหญ่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยมันไม่ได้คิดจะโจมตีธมันตรายใดๆทั้งสิ้นนอกจากเห็นเป็นสัตว์ประหลาดของพวกมันก็เลยแห่กันมาบินโฉบดูเท่านั้นแหละแล้วก็ถูกต้อนรับด้วยลูกปืนจากมนุษย์ขี้ตื่นขี้ตกใจแล้วก็มีหัวใจอันโหดหินอำ ม, มหิตเออเอเออเอาไว้เธอพูดอย่างนี้ ในขณะที่กำลังถูกขยอกเข้าไปในปากของไอ้ยักษ์ไทรั่นกันแล้วกันเชษฐานสบทมองน้องสาวด้วยตาขุนเขียวแล้วกรอกคำถามต่อไปในวิทยุมือถือเออแล้วมันไปนยังไงมาไงกันนะเกิดเรื่องขึ้นได้ยังไงครับเราก็เดินเข้ามาในดงดมันโดยไม่รู้ตัวเลยล่ะครับเสียงตื่นตื่นของอนุชาดังตอบมาพวกมันก็ก่อ น, นิ่งอยู่ตามแง่โคทินละครับ แล้วก็บริเวณต้นตปรงเราก็ไม่ทันสังเกตเห็นมันปลอยตัวหนึ่งเริ่มบินขึ้นอีกหลายสิบตัวก็บินขึ้นพร้อมๆกันโฉบอย่างรวดเร็วมาที่พวกเราทั้งหมดโดยตามมาทางเบื้องหลังพวกลูกหาบสิครับไหวตัวขึ้นมาก่อนเพราะในชั่วนะถูกมันบินชนขมำไปก็เลยเกิดการยิงขึ้นเพราะมันแห่มาล้อมรอบไปหมดโอ๊ยเขี้ยวแต่ละตัวนะ่ยาวเป็นคืบถ้างับใครข้าวคงจะถึงระดู มันทำท่าเหมือนจะเห็นเราเป็นอาหารโอชะไปอย่างนั้นแหละแล้วมีใครถูกกัดจังๆมั่งไหมล่ะคะพี่กลางดารินถามเรียบเรียบแทรกไปทันทีก็กำลังตรวจสอบกันอยู่อะแต่เชื่อว่าคงจะไม่มีใครถูกมันกัดตรงนะเพระเจอลูกซองเข้าไปก่อนถ้าทางมันก็น่ากลัวมากนะตัวไม่ใช่เล็กเลยแต่ลักะตัวนะ่ะยาวร่วมสองวาได้หญิงสาวหันไปทางพี่ชายใหญ่ เลิกคิวขึ้นแผ่วเสียงลงเห็นไหมคะพี่ใหญ่ไม่มีใครถูกมันกัดเลยแต่พวกมันก็ถูกยิงตายไปหลายตัวแล้วก็บอกแล้วไงว่าเพราะพวกเรากลัวมันไปเองอะ่ะแต่พวกมันก็บินล้อมกรอบเราเข้ามานะ่ะใจเข้าใจยังไงต้องร้อยมันกัดใครเข้าไปสะกก่อนอย่างนั้นเหรอมันไม่ได้เป็นสัตว์ที่ตื่นคน แต่คนน่ะตื่นมันตัางหากนี่ครับพี่ใหญ่เลยที่มันบินโฉบก็ามาก็เพราะมันแปลกใจอยากรู้อยากเห็นถ้าเราไม่ทําอะไรมันเลยมันก็คงจะบินตามดูไป ใ, ใกล้ๆเหมือนแมลงปอตัวเล็กๆที่มีนิใสัยอย่างนั้นและสักระยะหนึ่งมันก็คงจะเลิกสนใจไปเองอะไปเถอะคับพี่แกลพี่ใหญ่พี่กลางแล้วพวกเรารู้สึกว่าจะตกใจกันมากเราตามไปสมทบกับเขาเดี๋ยวนี้เถอะ แล้วน้อยก็รับรองว่าจะไม่พูดอะไรเรื่องนี้อีกจเฉยเฉยใช่ไหเชิดฐานเหนียวแง่หินเหนือศีรษะขึ้นยืนตามน้องสาวด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวถูกพูดวิทยุบอกน้องชายไปว่าเออพี่กับ น, น้อยกําลังจะตามเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละรออยู่ที่นั่นก่อนแล้วกันครับครับรีบมาก็เถอะทางผมต้อเป็นห่วงพี่ใหญ่กับ น, น้อยแทบแย่แล้วยิงกันมั่งหรือเปล่าทางด้านพี่ใหญ่อะ เออก็แค่สองสานัดพื่อป้องกันตัวไล่ๆ่มันไปเท่านั้นแหละเชื่อถาบอกไม่เต็มปากเต็มคำนักแล้วพยักหน้ากันน้องสาวชวนกันสวมรองเท้าสวมรอยเท้าพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนเลาะหมูหินและซุ้มไม้ตรงเข้าไปสมทบทันทีเมื่อเข้ามาถึงพักพวกที่กำลังพูดกันอยู่จอกแจ๊กจ้อแจยืนรวมกลุ่มกันอยู่ดรินถอนใจลึก เมื่อมองเห็นสภาพของแมลงปอใหญ่พวกนั้นถูกยิงเกลือนหัวขาดตีขาดกลิ้งเละเทะอยู่รอบๆ บ, บริเวณตามพงไม้เตี้ยตามพื้นและคาอยู่บนแง่หินข้าวของยังกระจัดกระจายเรี่ยรายอยู่กับพื้นคงจะมีการสละหหาบกันอย่างกระทันหันเมื่อฝูงแมลงปอเหล่านี้บินกรูกันเข้ามาพวกลูกหาบทุกคนรวมทั้งขยิน ยืนหน้าตื่นเลิกลากกันไปหมดส่วนน้ำอินมีการเอามือเกาหัวอยู่กรากกรากบุญอะไรพึมพำและอนุชาหรืออดีตพรานชดขณะ น, นี้แทนที่จะถือไรเฟิลจุดสีห้าแปดของเขากลายเป็นถือลูกซองออตโต้ห้านัดซึ่งคงจะไปคว้าเอามาจากพวกลูกหาบคนใดคนหนึ่งสีหน้าของแต่ละคนดูจะะหนกซะยิ่งกว่าตอนระ จ, จนกบโขลงช้างผีลงของมันไรซะอีก เพราะขนาดรูปร่างอันใหญ่โตมโหฬารของเจ้าพวกแมลงปอเหล่านั้นเฮ้ยนึกว่ามันจะโชบโอแกกันน้อยไปซะแล้วเห็นเงียบชี่ไปทางด้านหลังอีตอนที่เราตะลุมบอนกันอยู่ด้านนี้ชายันร้องออกมาเมื่อเห็นสองพี่น้องเดินตรงเข้ามาสมทบเออตัวมันใหญ่ก็จริงแต่มันก็ไม่ใหญ่ถึงขนาดที่จะฆ่าพวกเราคนใดคนหนึ่งไปปากพาบินไม่ได้หรอก เช่ถาพยายามปรับความรู้สึกให้เป็นปกติลงขณะที่ร้องตอบชยันตาก็มองกว่าไปยังซากมาแมลงปอเหล่านั้นบางตัวยังไม่ตายสนิทส่วนหางยังกระดิกงอขึ้นขึ้นลงล ง, ลงได้ทั้งทั้งที่ส่วนบนนิ่งไปแล้วเป็นไงกันม้่งอะใครโดนมันกระแทกเข้าไปก่อนในชวนซึ่งยังหน้าซีดปากสันอยู่ยิ้มออกมาแห้งๆผมครับเจ้านาย มันก็แทกพับลงมาทั้งด้านหลังหัวทิ่มเลยยังก็ถูกใครถีบไนงะผมเดินอยู่หลังเพื่อนพอผมล้มลงเลยพลอยพาให้ไอ้มอนที่หาของอยู่ข้างหน้ากลิ้งไปด้วยพวกมันก็แห่กันมาล้อมเต็มไปหมดอ่ะลองตรวจ ด, ด้วยแน่ทีสิใครมีบาดแผลจะเขี่ยวมันบ้างไหมทุกคนเพิ่งจะมีเวลาสำรวจตัวเองอย่างถีท่วนจริงจัง ไม่มีใครปรากฏร่องรอยว่าจะถูกเขี้ยวของมแมลงปอพวกนั้นขบกัดเลยนอกจากจะถลอกปอกเปิกืกตอนที่วิ่งหลบกันพลวันชนหินแล้วก็สะดุดลม้มปลอกกระสุนลูกซองเกลื่อนพื้นที่บริเวณ น, นั้นไปหมดระคนไปกระกลิ่นดินปืนที่ยังไม่ทันจางนานอินเข้าไปก้มตรวจ ด, ดูทรากเจ้ า, มาแมลงปอพวกนั้นอย่างใกล้ชิดด้วยอาการประหลาดใจและใช้มีดเดินตาเขี่ยบริเวณหัว ที่ประกอบไปด้วยเขี้ยวคมยาวสองอันโอ้นี่ถ้ามันขบคอฉับเดียวก็แทบคอขาดหรือถ้าขบแขนก็เข้าถึงกระดูกเลยแหละแต่พูดอย่างไม่สู้จะสบายใจนะใช่ถ้ามันขบก็ต้องมีการบาดเจ็บล้มตายกันขึ้นมั่งแน่ๆถึงจะใช้ลูกซองยิงปะทะก็คงไม่ทันหรอกเพราะมันบินเร็วมากแล้วก็หลายตัว ดารินพูดเรียบเรียกแต่นี่มันก็คงยังไม่ได้ตั้งใจที่จะขบกัดใครเลยก็โดนยิงซะก่อนเพราะพากันบินเข้ามารุมล้อมพวกเราใกล้เกินไปความกินเขี้ยวมแมลงปอวไวมากนะขนาดมาแมลงบินอยู่กลางอากาศมันยังไล่คาบได้นับภาษาอะไรกับคนซึ่งช้ากว่าพวกมแมลงมากแต่ก็ดีละที่พวกเราทุกคนถือหลักปลอดภัยไว้ก่อน ดีกว่าจะเสียใจภายหลังอ่ะเอ๊ะน้อยนี่พูดยังไงแฮะนี่พวกพี่ทางด้านนี้ตื่นตกใจเกินไปกว่าเหตุหรือเปล่าไอ้ที่ยิงปะทะไอ้แม่ยังปอยักพวกนี้กันจนอลมานขวัญห น, นีดีฟอ่อไปหมดเนี่ยอนุชาถามมาเสียงต่ำๆในขณะที่ขมวดคิ้วจ้องหน้าน้องสาวหลอนสันสีสะเปล่านี่คะทุกคนทาถูกแล้วค่ะ น้อยก็ไม่หวาอะไรเพราะการทักทายครั้งแรกก็ชนนายชวนขำมําหน้าล้มกลิ้งไปทําให้หน้าวาดเสียวอยู่เหมือนกันว่ามันจะบุกเขาเล่นงานเพราะตัวก็ไม่ใช่เล็กแต่ถ้าครั้งแรกที่บินมาชนนั่นแทนที่จะชนบินแล้วก็หกกัดพร้อมกันไปเลยน้อยว่านายชวนก็คงจะลําบากกว่านี้นะหล่อนกล่าวเป็นในในให้คิดเพียงแค่นั้นแล้วก็ไม่กล่าวอะไรอีก นอกจากเดินไปรูปหลังขยินอย่างปลอบใจอนุชาหันไปทางเชิถาแล้วทางพี่ใหญ่กับ น, น้อยเดินเข้ามั่งหรือเปล่าน่นเนี่ยเออทางด้านหน้ายิงมันก็บินแตกไปทางด้านหลังตรงที่พี่กับ น, น้อยเดินตามมาหลายตัวที่ถูกปืนจากทางด้านนี้บินเลยไปตกอยู่ทางด้านที่พี่ตามมาเราสองคนก็ใช้ปืนสั้นยิงออกไปก็แค่ไม่กี่นัดมันก็เปิดหนีไปหมด แล้วทางด้านนี้ใครยิงก่อนผมก็มีทราบเหมือนกันแะครับแต่ยินเสียงมันบินไล่หลังเข้ามาและนายชวนก็ร้องพร้อมกันลม้มลงอีตอนนั้นก็เลยซัดกันสนั่นเข้าใจว่าพวกลูกหาบคงยิงขึ้นก่อนะผมก็เลยแล่นไปฉวยลูกซองของนายชวนขึ้นมาซัดกันในระยะตะลุมบอลใ ก, ก, กล้ๆนี่แหลพะพอพวกมันรวมลงมาเจ็ดแปดตัวไอ้พวกที่เหลือก็เลยบินหนีไปถ้าตัวมันเล็กสักขนาด หนึ่งหรือสองฟุตยอย่างที่เห็นมาแล้วแล้วก็คงไม่ต้องยิงมันอีกตอนที่มันบินมารุมล้อมแต่เฮ้ยนี่มันใหญ่เหลือเกินเชิดถาพยักหน้าช้าๆขณะนี้เขาเริ่มจะมองเห็นความจริงอะไรบางอย่างที่น้องสาวคนเล็กพูดไว้กับเขาตามลําพังแต่ก็ไม่ได้เอ่ยไปอีกไปถึงนอกจากถามว่านี่เดินทางมาเที่ยว ก, ก่อนกับลุงอิน่ะ เธอเคยพบพวกแมลงปอตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนบ้างไหมกลางเฮย้ยอย่างมากที่สุดก็แค่ฟุตเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสำหรับเราสองคนคราวนั้นเลยพี่ใหญ่เอาละมพวกเราไม่ได้บาดเจ็บอะไรแล้วมันก็บินหนีไปหมดแล้วงั้นก็เดินทางต่อเฮ้ะไม่มีอะไรหรอกเชี่ถาตัดบทแล้วบอกให้พวกลูกหาบเก็บของที่หล่นกระจัดกระจายอยู่ เหล่านั้นทันทีทุกคนของฝ่ายลูกหาเพิ่งจะควบคุมสติได้พากันเดินไปเก็บข้าวของสัมภาระท่ามกลางของซากแมลงปอยักษ์เหล่านั้นขึ้นประจำแบกหามนันอินเดินเข้าไปพูดกับคนเหล่านั้นเพื่อปลุกปลอบใจและเตือนสติให้เตรียมระวังตัวจากสับพสั์ที่อาจจะพบพานเบื้องหน้าต่อไปโดยให้ระลึกและพร้อมอยู่ตลอดเวลา แล้วขบวนก็เคลื่อนคืบหน้าต่อไปทมกลางแสงสายันหการที่กำลังโรยอ่อนลงทุกขณะในพื้นภูมิประเทศป่าหินสลับพันไม้ดึกดำบรรโปรงตาอันดูเหมือนจะหาขอบเขตที่สิ้นสุดมิได้นั้นในครั้งนี้กลุ่มของนายจ้างขึ้นมาเดินรวมกันเป็นหมู่พร้อมกันทั้งหมดเบื้องหน้าโดยมีอดีตพรานชดทำหน้าที่ ตัดเส้นทางไปอย่างเต็มไปได้วยความมั่นใจหนทางเดินสะดวกสบายพอสมควรโดยเลาะลัดไปในระหว่างต้นตรงและก้อนหินใหญ่น้อยเหล่านั้นพื้นก็คงเต็มไปได้วยเม็ดกรวดทรายและมีแผ่นหินสลับอยู่เป็นระยะระยะพบแอ่งน้ํากว้างใหญ่บนผืนทรายอีกสองแอง่งไม่ห่างกันนักไม่ปรากฏว่าจะมีเจ้ า, มาแมลงปอใหญ่บินโฉบเฉียว ใกล้กลุม่มนุษย์เข้ามาอีกนอกจากเห็นมันบินกระจัดกระจายอยู่ในระยะห่างไกลท้องฟ้าเบื้องบนคงมีสภาพเหมือนเดิมสัวรางอยู่ด้วยรังสีแสดส้มอาบจับหมู่เมฆหนาทึบที่ลอยตัวต่ำดูราวกับว่าจะเอื้อมมือแตะถึงฉะนั้นนาฬิกาข้อมือเดินป่าของดาริน ชี้บอกเวลา16นาฬิกา30นาทีเมื่อคณะทั้งหมดเดินลงมาจากบริเวณเนินทรายที่สูงสู่บริเวณแอ่งน้ำในผืนทรายที่ราบต่ำซึ่งล้อมรอบไปด้วยก้อนหินใหญ่อันโผล่ขึ้นมาจากใต้พื้นดินคล้ายจะเป็นกำแพงธรรมชาติกั้นล้อมแอ่งน้ำนั้นไว้โดยมีช่องทางให้ผ่านเข้าออกได้สามทางรอบๆขอบแอ่งน้า มีลักษณะแทบจะเป็นวงกลุมกว้างอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ามปรงและพันไม้ใกล้น้ำที่มีสีสันของกิ่งใบงามลานตาบ้างก็ออกดอกช่อสะพรั่งอนุชานำคณะเข้าไปยังบริเวณใกล้แอ่งน้ำอันมีชะง่อนหินโผล่ยื่นออกมาเหมือนชายคาแล้วสั่งให้ปรงของวางพักขึ้นที่นั่น วันนี้เราสิ้นสุดการเดินทางลงแค่นี้ก่อนแล้วกันเชื่อว่าทุกคนคงเหนื่อยแล้วก็หิวเต็มที่แล้วอดีตพรานชดกล่าวกับพี่ชายของเขาและทุกคนขณะที่รถเป้หลังโยนลงไปกับพื้นตรงหน้าดีเหมือนกันนี่ก็ใกล้มือเต็มทีแล้วถ้าเดินต่อไปเราก็คงจะหาที่พักนอนไม่ได้เหมาะเท่ากับที่นี่แล้วเชตาเห็นด้วยทุกคนเต็มไปได้วยความอิดโรยอ่อนล้า ที่กรำหนักกันมาทั้งวันบริเวณที่พักอันเหมาะสมนั้นถูกจับขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อสำหรับการแรมคืนน้ำค้างอาจจะแรงมากสำหรับคืนนี้แต่คงไม่มีอะไรต้องน่าห่วงเพราะได้อาศัยเพิงหินที่โผล่ยื่นออกมาปกคลุมอยู่เบื้องบนแล้วกองไฟถูกก่อขึ้นจากซากไม้เก่าแก่คำนวณอายุไม่ได้ซึ่งระเกะระกะอยู่ทั่วบริเวณ เนื้อแกรงของมันทำให้ยากต่อการติดไฟแต่เมื่อติดขึ้นแล้วก็ให้เปลวไฟที่คงทนและร้อนแรงเหมือนทานหินไม่กลายเป็นเท่าไปได้ง่ายๆต่างกับไม้แห้งธรรมดามากภายหลังจากนั่งพักขากันครู่ใหญ่ขยิ่นกันหนานอินก็ขออนุญาตไปตรวจ ด, ดูแอ่งน้ำกว้างใหญ่แห่งนั้นว่าพอจะอาศัยดื่มกินได้หรือไม่ส่วนอนุชาก็บอกว่า ผมก็จะไปตรวจบริเวณรอบๆแอ่งน้ำด้วยนะครับอืมดีมากดีมากเราควรจะรอบคอบกันอย่างที่สุดไปเถอะแล้วกลับมาก่อนค่ำละ่ะจะได้กินอาหารพร้อมๆกันนะเชิถาบอกกับทั้งสามคนดารินขยับตัวจะลุกตามพี่ชายกลางแต่พี่ชายใหญ่กับเพื่อนกดไหลไว้เธออยู่นี่แหละน้อยไม่ต้องเดินตามกลางหรือลุงอินกับขยินไปเสียเวลาเหนื่อยเปล่ารก ชยันห้ามขึ้นประกอบกระสายตาที่ปลามาของพี่ชายใหญ่หญิงสาวจึงต้องเปลี่ยนความตั้งใจแต่พูดอมแอมอมแมม อ, อ ม, แ ม, มว่าน้อยก็เพียงแต่จะตามไปดูบริเวณแอ่งน้ำเท่านั้นแหละว่าพอจะอาศัยได้ไหมถ้าน้อยอยากจะอาบน้ำพี่ว่ารอให้ลุงอินกะขยินไปตรวจดูซะก่อนดีกว่านะหากว่าใช้ได้ก็มีข้อแนะนาว่า เอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวพล่อยหายเหนอหนะาจากเหงื่อก็พอแล้วอย่าถึงก็ต้องลงไปอาบเลยบรรยากาศของบริเวณนี้เชื่อว่าหลังตะวันตกดินไปแล้วมันจะหนาวเย็นจัดจนเธอแทบไม่อยากจะถูกน้ำทีเดียวแหละจริงอย่างที่เชษฐถาพูดไว้ทุกประการพอทั้งสามคนผละจากไปแล้วท้องฟ้ามืดสลัวลงทุกขณะอุณหภูมิของบริเวณนี้ก็ผันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มันเย็นเยือกเสยจนทุกคนต้องเข้าไปนั่งผิงไฟเหงื่อที่ออกโชคมาทั้งวันแห้งสนิทเครื่องวัดอุณหภูมิซึ่งติดอยู่ด้านหลังของเข็มทิศเดินตาของเชษฐาชี้บอกห้าองศาเซนเซียดเมื่อเอาไปวางบนตำแหน่งก้อนหินเล็กๆ ก, กลางที่โลหห่างรัศมีกองไฟออกมาอดีตท่านทูตทหารบกนำเครื่องวัดอุณหภูมินั้นมาส่งให้น้องสาวกระช ย, ยันดูทำให้ทั้งสองห่อไหลลง อุ้ยถ้าเพียงแค่ห้าโมงเย็นกว่าๆมันลดลงเหลือห้าองศาแล้วแบบนี้อุ้ยตกกลางคืนมิบิโลซีโรหรือไงชัยยันครางออกมาครางเริ่มคางเริ่มสันกูกูกูกกเออของมันก็แน่ชัดอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันจะลบเท่าไรเท่านั้นแหละแบบนี้นี่น้อยยังคิดจะไปอาบน้ำอีกไหมเนี่ยดารินยิ้มเจนเจือน ไม่ตอบตรงคำถามนะักนักเดินป่าที่ดีต้องไม่สนใจเรื่องอาบน้ำระพินสอนน้อยมานานแล้วล่ะคะ่ะในข้อนี้ถ้าตกกลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเที่ยงคืนหรือใกล้รุ่งอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศามันก็น่าจะแปลว่าหิมะคงปโปรยแต่ดูจากสภาพแวดล้อมทั่ ว, วไปแถบที่เดินผ่านมานี่ มันไม่มีร่องรอยของหิมะเลยไอ้อากาศที่มันเย็นมากๆในภูมิประเทศบางแห่งก็ไม่จำเป็นจะต้องมีหิมะนะน้อยพี่ชายใหญ่บอกเรียบๆแต่บางที่เราอาจจะต้องระวังลูกเห็บไว้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพายุลูกเห็บและอากาศที่ผันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วหน้ามือเป็นหลังมือแบบเนี้ยก่อนนอนคืนนี้ อย่าลืมถามอาการแล้วก็ตรวจสอบสุขภาพคนของเราไว้ด้วยดีไม่ดีจะไม่สบายเอาง่ายๆแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวหลังอาหารน้อยจะแจกยาป้องกันไว้ทุกคนละก่ะเออแล้วก็อย่าลืมเผื่อตัวเองด้วยละ่ะเห็นหน้าซีดผิดปกติทุกวันล้ฉันคงไม่เป็นไรหรอกชัยยันและแม้ว่าจะตายก็รับรองว่ายังตายไม่ลงในตอนนี้จนกว่า เสียงของดารินขาดแหบหายไปเพียงแค่นั้นยกมือขึ้นรูปที่เปลือกตานิ่งซึมไปชั่วขณะชยันเหลือบตามองสุบเชิฐถาแล้วทั้งสองก็รอบถอนใจคลงสีสษะอยู่ไปมาอย่างเวทนาระอาใจยขยิงกระนันอินกลับมาก่อนค่ำตามสัญญารายงานให้ทราบถึงสภาพของน้ำ ซึ่งสะอาดพอใช้อาศัยดื่มกินและอาบได้แต่ทั้งสองก็เดินเอามือกอดอกหนาวสั่นเข้ามาโดยเฉพาะขยินได้หอบเอาพันไม้ดอกและกล้วยไม้บางชนิดล้วนช่องามๆสีสันชวนตะลึงมาส่งให้นายหญิงของมันนายหญิงขยินเห็นดอกไม้สวยดีอะแล้วก็มีอยู่เต็มไปหมดริมแอ่งน้ำนั่นขยินก็เลยเก็บมาให้นายหญิงอะ มันบอกพลางยิงฝันยิ้มดารินตาเป็นประกายขึ้นรับเอาไม้ดอกสวยงามเหล่านั้นมาชื่นชมแล้วกอดแนบไว้กับอกขอบใจมากมากขายินแม่เธอรู้ใจฉันดีเหลือเกินนะเป็นไงแผลที่ถูกลิงกัดเมื่อวานเนี่ยเป็นไงมัง่งประโยคท้ายหลอนถามมาขายินว่ามันน่าจะหายดีแล้วละ่ะแต่พอตกเย็นมันหนาวขึ้นมา มันก็ปวดหน่อยๆนม่ออนหญิงไม่เป็นไรเดี๋ยวจะดูแผลให้นะและจะให้ยากินด้วยก่อนที่เชษฐาจะเอ่ยปากถามขึ้นเกี่ยวกับอนุชาทั้งหมดก็ได้ยินเสียงบูธเดินปาย่ำสวบสว บ, สวบมากับพื้นทรายปนกรวดพอเหลียวไปก็เห็นน้องชายกลางของคณะผู้ทาหน้าที่เป็นมรกกุเทศนำทางเดินถือไรเฟิลดุมดุมรับโคดหินบังเข้ามาถึง ยังไงกลางกำลังจะถามสองคนอยู่ทีเดียวว่าไม่เด็กกลับมาพร้อมกั น, นยังไงชายันร้องถามมาอนุชาวางไรเฟิลพิงแงหินแล้วก้มลงไปแควแจะเก็ตหนังขึ้นมาพาดไหลไว้เอามือทั้งสองอังเปลวไฟในกองซึ่งบัดนี้ทุกคนนั่งรายล้อมผิงไว้ไปตรวจดูรอบบริเวณแอ่งทั้งหมดแล้วละ่ะมันกว้างประมาณสักแ0ดรตารางวา ไม่มีร่องรอยของสัตว์อะไรลงกินหรือมาเดินอยู่ใกล้เคียงเลยดูเป็นแอ่งน้ำที่สงบจริงๆสงบซะจนหน้าระแวงหน้าระแวงเหรอหมายความว่าไงชยันขมวดคิ้วถามโดยเร็วเสียงต่งตังอนุชายักไหลเอามือที่อังไฟขึ้นมาหน้าใบหน้าไอ้บริเวณที่เห็นอยู่เนี่ยนะ ไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีสัตว์อะไรเสียบ้างเลยพวกสัตว์ใหญ่สีเท้ากินเนื้อและกินพืชมันก็น่าจะมีอยู่บ้างแต่นี่มันเร้นตัวหายไปหมดโดยไม่ได้แสดงร่องรอยว่ามาอาศัยน้าที่แองน้ำเลยมันก็เลยทำให้ต้องหน้าคิดไงนี่แค่หมายความว่าน้ำในแองน่าจะเป็นพิษกินไม่ได้ยังงั้นเหรออดีตพรานชดสันศรีสัง อินและขยิ น, นตรวจดูแล้วมันก็เป็นน้ำที่สะอาดใช้ดื่มกินได้ปลอดภัยอสมควรไม่มีพืชหรือธาตุอะไรที่เป็นพิษอยู่ใกล้เคียงจืดสนิทไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่การที่ไม่มีสัตว์อะไรผ่านมาในละแวกนี้เลยเป็นเวลานานมันน่าจะหมายถึงว่าเขาเว้นระยะไปนิดหนึ่งชำเลืองไปทางเครื่องยิงระเบิด M792 กระบอกที่พวกลูกหาบมัดรวมติดมากะกองสัมภาระแล้วกล่าวต่อมาเสียงต่ำๆว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเฝ้ารอคอยหรือป่นเปลี่ยนอยู่ละแวกใกล้เคียงนี่แล้วก็มีอิทธิพลอยู่เหนือสัตว์ใหญ่น้อยทั้งปวงทำให้ไม่กล้าเข้ามากินน้ำในแอ่ง เสือใหญ่งั้นเหรอชัยยันถามมาไอเสือสางหรือสัตว์กินเนื้อธรรมดานะเราเห็นจะเลิกพูดกันเสีทีลมะมั้งแกพี่ใหญ่แล้วก็ขยินตลอดจนน้อยน่าจะเข้าใจดีเพราะเคยผ่านพบกันมาก่อนแล้วอ่ะส่วนฉันและลุงอินโชคดีมากที่ไม่ได้พบกับฝันร้ายในลักษณะที่พวกแกพบมาแล้ว นี่แกหมายถึงสัตว์ดึกดำบรรพ์ประเภทไดโนหรออดีตนายทหารปืนใหญ่ลืมตาพโพลงอุทานออกมาส่วนเชษฐาและดาริงยืดตัวขึ้นทันทีฉันก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันนะบอกแล้วไงว่าไม่ได้พบรอยสัตว์ธรรมดาอะไรเลยทั้งสิน้นแต่ก็ยังบอกไม่ได้นะว่าไอ้ที่พบนะ่ะมันเป็นรอยอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวกินอาหารเสร็จแล้วจะลองไปดูกันก็ได้ ฉันเดินตรงข้ามฝั่งไปทางด้านเหนือมีประตูเป็นปากทางออกไปยังทุ่งหินในระหว่างหน้าผาใหญ่สองด้านรอยมันเหยียบพื้นนะวะแม้พื้นทรายจะแน่นก็ยังกดลึกลงไปร่วมวามีนิ้วอยู่สามนิ้วลักษณะเดินสองขามีหางลากยาวเฉะพาะรอยเท้าที่ปรากฏอยู่นะมีรัศมีของแต่ละนิ้วแยกห่างกันหกเจ็ดฟุต คำนวณและน้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่ายี่สิบตันนะ่ะเฮ้ยทั้งเชือถาและชายันหลุดปากออกมาและชะงักนิดนึงชั่วขณะเลือดแทบจักเป็นก้อนสุนดารินทำริมฝีปากมุบมิดจ้องหน้าพี่ชายกลางขะมิงเหมือนจะไม่เชื่อหูตัวเองนั้นอินได้ยินอดีตพรานชดพูดก็หันมาแปลข้อความให้ขยินฟังต่อไอ้เจ้านั่น พอรู้เรื่องว่านายชดพูดอะไรก็นั่งจำเบาลงกับพื้นร้องออกมาเบาๆเชิดาคุมสติได้ถามเรียบๆมาด้วยน้ำเสียงที่บังคับให้เป็นปกติรอยเก่าแต่ไม่เก่าจนเกินไปนักหรอกครับไม่ต่ำกว่าสามสี่วันมาแล้วแต่ก็ไม่น่าจะเกินอาทิตย์ในเวลากลางคืนอาจจะสังเกตไม่ได้ถนัด มองดูเหมือนหลุมอะไรลึกๆอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหากพรุ่งนี้เช้าให้มีแสงสว่างสัหน่อยเราจะเห็นได้ชัดกว่านี้สําหรับผมเองนะไม่คุ้นเคยกับมันมาก่อนส่วนพี่ใหญ่ชัยยันน้อยแล้วก็ขยินเคยผ่านมาแล้วถ้าได้ไปเห็นก็อาจจะบอกประเภทได้ดีว่ามันเป็นไดโนชนิดไหนแล้ว แล้ตะ ก, กี้ลุงอินกับขกินไม่เห็นด้วยหรอกหรืคะก็เมื่อตะกี้ทั้งสองคนมาถึงก็ไม่เห็นพูดถึงเรื่องนี้บอกแต่เพียงว่าน้ําในแอ่งสะอาดดารินพูดมาเร็วปรือคือพี่ไปคนละทางกับลุงอินและขยินทั้งสองคนนำไปตรวจดูที่แอ่งน้ําอย่างเดียวว่าพอจะกินได้ไหมแต่พี่น่ะเดินสำรวจไปรอบๆของแอง่งแล้วก็เดินไกลไปกว่าสองคนนี่อนุชา ต, ตอบ ถ้า ง, งั้นเดี๋ยวกินอาหารกันให้เสร็จแล้วไปช่วยดูกันถ้าเป็นไปเป็นไอโคตยักษ์ไทรันแล้วก็เราพบอุปสรรคใหญ่แล้วล่ะท่านหัวหน้าคณะพึพรรมพำอยู่ในลำคอยกมือทั้งสองขึ้นขยี้ขมับช ย, ยันคลานไปที่กองสัมภา ร, ระทันทีปลดเอาเครื่องยิงระเบิดขนาด40มมแล้ว m 16แบบคอมมันโดออกมาทั้งหมด4กระบอกตรวจดูความเรียบร้อย ดารินมองเห็นเขาก็บอกว่านี่ฉันว่านั่นน่ะไม่ใช่วิธีที่ฉลาดนะชัยยันเออเธอจะฉลาดวิธีไหนของเธอก็เชิญเถอะสาหรับฉันกลางแล้วก็เชฐดาขอเลือกเอายุทธวิธีทางทหารไว้ก่อนนะจิงอยู่แม้อาวุธของเราจะเบาไปหน่อยแต่เชื่อว่าระเบิดขนาดสี่สิบมมถึงจะฆ่ามันไม่ได้เฉียบขาดนะักก็คงจะทาให้มันมึนงง เชื่องช้าลงด้วยแรงอัดของระเบิดหรือบางทีอาจจะไล่มันได้แม้จะฆ่าไม่ได้ก็ตามอีกอย่างหนึง่งไอ้ปืนเล็กกลนที่สามารถส่งกระสุนเม็ดเล็กๆระดมเข้าไปในอัตรา750นัดต่อนาทีโดยการตั้งสวิตช์เป็นฟูลออโต้ก็ยังดีกว่าไรเฟิลขนาดใหญ่ที่สุดของเราแต่ยิงได้ทีละนัดเอ้าปืนของใครคนนั้นเก็บรักษาไว้ไอ้ส่วน M79 นี่ฉันจะถือกระบอกหนึง่ง กางถือว่าอีกระบอกหนึ่งตอนนี้เราน่ไม่มีสอนพรห ม, มากกับพระรามเงาทา ย, ายหรือพระนานรายณ์ระพินแล้วนะถ้าไม่ช่วยตัวเองก่อนก็ไม่มีอะไรมาช่วยนะขณะที่พูดอดีนตนายทหารปืนใหญ่ง่วนอยู่กับอาวุธสงครามเหล่านั้นอย่างรวดเร็วคล่องแคล่วดารินแ ม, ม่ริมฝีปากแน่นรีตาลงไม่น่าเชื่อ ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะต้องพบกับภัยอันตรายจากอำนาจของไพราอาถันชนิดนี้อีกฉันคิดว่าเราอาจพบแต่รอยของเขาเท่านั้นแต่คงไม่มีวันพบตัวจริงอีกแล้วอย่างเด็ดขาดอย่ามองอะไรในแง่ดีแล้วก็เข้าข้างตัวเองมากนักถ้าสวรรค์จะให้เราติดตามราพินพบในครั้งนี้เราก็จะไม่พบอุปสรรคเหล่านี้อีกเลยและเราก็เดาไม่ถูกซะด้วย ว่าสวรรค์วงการมายังไงอาจจะกลายเป็นนรกวงการก็ได้เอาละเงียบๆเสียงแล้วก่อนอย่าเพิ่งกระตกกระตากอะไรพวกลูกหารู้ทั้งนั้นแหละลุงอินบอกขยินให้หูบปากมันลงเชด้วยอย่าบอกเรื่องนี้กระใครทั้งนั้นตอนนี้และทั้งหมดก็ล้อมวงกันกินอาหารค่ำอันนำมารวบยอดกับอาหารกลางวันพร้อมกันรอบๆกองไฟที่ลุกโชน แม้อากาศจะหนาวเย็นจัดลงอย่างทารุณไอไฟก็พอจะส่งความอบอุ่นให้ได้บ้างดารินหมดความคิดที่จะไปอาบน้ำแล้วจากภูมิอากาศที่ผันแปรไปอย่างคาดไม่ถึงและจากสิ่งที่หล่อนได้รับทราบจากพี่ชายกลางหยกๆยกทั้งหมดกินอาหารจากเครื่องกระป๋องเรั่นและปรึกษาหารือกันเบาๆในระหว่างกันเองสาหรับขยินนั้นแม้จะนั่งอยู่ในระหว่างพวกลูกหา ก็หุบปากนิ่งตามคำสั่งํำชับของหนานอินสีหน้าของเจ้ากระเลียงลมช้างสอแวว์วิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดเพราะมันเคยพบเคยผจนกับเหตุการณ์ชนิดฝันรายนั้นมาแล้วจนขี้แทบจะขึ้นไปอยู่บนขอมองที่ทำให้มันต้องคิดหนักอยู่ในขณะนี้ก็คือทั้งคณะที่มาด้วยกันทั้งหมดรวมทั้งตัวมันเองด้วยจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงหากพบกับไอตัวเหมือนเฮีย้ย แต่ยืนสองขาในปากมีฟันใหญ่แหลมคมนับไม่ถ้วนนั่นเข้าอีกสมัยก่อนนี้ก็ยังมีพรานใหญ่ระพินและงแง่ทรายอยู่พร้อมหน้าแต่คราวนี้มันจะฝากความหวังไว้กับใครอันพอที่จะทำให้เกิดความอุ่นใจได้ลํำพังพรานชดกับพรานหนานอินขยินไม่มั่นใจนักเพราะทั้งสองคนไม่เคยผ่านปัญหาชนิดนี้มาก่อน เมื่อต่างกินอาหารค่ำเสร็จดารินก็ตรงเข้ามาที่มันเปลี่ยนผ้าพันแผลให้ใหม่ตรวจสอบบาดแผลที่เย็บไว้แล้วส่งยาให้กินชุดหนึ่งทำใจดีๆไว้พะยิงเราจะต้องไม่พบกับฝันร้ายชนิดนั้นซ้ำอีกเชื่อฉันหล่อนกระซิบขณะที่ตบไหล่มันเบาๆอย่างปลุกปลอบหนายยิง แตนายชุดไปพบรอยของมันเข่าแล้วนะรอยอย่างนั้นน่ะมันจะมีอะไรนอกจากไอ้ตัวที่แงใสเอาธนูติดระเบิดยิงอะ่ะขยินอุบอิดในลำคอจ้องตาค้างตึงมองดูหลอนหญิงสาวยิ้ ม, มให้กำห ม, มัดต่อยเบาๆเฉียดลายคางมันอย่างสับพยอแต่ฉันว่าไม่พบอ่ะออะพนันกันก็ได้อาจพบเพียงแค่รอยเท่านั้น ประเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ถ้าขยินไม่สบายจะรอยอยู่ที่นี่ก็ได้นะโหนายยญิงไปข ย, ยินก็ไปด้วยดิมันบอกมาอย่างจงรักพักดีหนึ่งหเมื่อจัดการกระทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพักแรมคืนได้เสร็จสับเรียบร้อยเชษฐาก็ทำสัญญาณกับฝ่ายตน เพื่อพร้อมที่จะไปตรวจ ด, ดูร่องรอยประหลาดตามที่ได้รับรายงานจากอนุชานานอินเรียกหัวหน้าลูกหาบเข้ามาสังการโดยให้กอ่อกองไฟลุกโชดเป็นกองใหญ่สามกองสำหรับอาศัยไออุ่นรับ ก, กับอากาศซึ่งจะต้องเย็นจัดเป็นพิเศษภายในคืนนี้แล้วบอกกับพวกลูกหาบโดยไม่ให้เกิดพิรุธใดๆว่าค่ะไอ้ข ย, ยิน แล้วก็พวกเจ้านายจะเดินไปตรวจดูที่หนองน้ำนั่นอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวจะกลับมาพวกเองก็คอยอยู่ที่นี่แหละกอไฟมันลุกมากๆจะได้เอาไว้ผิงพวกลูกหาบทั้งหลายไม่มีใครเกิดความสงสัยอะไรต่างรับปากโดยดีเชิฐานะรอบคอบเสมอเอาวิทยุ ข, ของเขาไว้ที่นายตาบเพื่อถ้าสามารถถ้าจำเป็นก็จะสามารถติดต่อกันได้ระหว่างฝ่ายในแคมป์ และฝ่ายที่ออกสำรวจร่องรอยชายันถือ M7-9 พร้อมสายกระสุนสะพายไหลวางไรเฟิลประจำมือลงทันทีเชธถาอนุชาและดารินเปลี่ยนมาเป็น M16 แม็กกาซีนอะไหล่พร้อมเต็มอัตราแล้วทั้งหมด6คนก็พากันเดินลงมาจากบริเวณเพิงหินที่พักบ่ายหน้าไปทางหนองหรือแอ่งน้ำในที่ราบลุ่มนันอีกครั้ง ท่ามกลางความมืดสนิทโดยอนุชาใช้ไฟฉายล่าสัตว์ส่องนำทางขยินกับหนานอินจึดใต้ลุกโชดไปด้วยคนละดุ่นอดีตพรานชดพาคณะทั้งหมดอ้อมแนวป่าสนสลับกับปรงป่ามอันขึ้นอยู่ประปลายริมแอ่งน้าด้านซ้ายอ้อมตรงไปยังฝั่งตรงข้ามของบริเวณแอ่งซึ่งพื้นเป็นกรวดสลับทรายละเอียด มีต้นไม้เก่าแก่และตอไม้ล้มอยู่ระเกะระกะเชษฐาชัยยันใช้ไฟฉายประจำตนส่องสำรวจไปรอบๆด้านใกล้และไกลในความสงัดเงียบอ้างวางนั้นแล้วชั่วไม่นานอนุชาก็นำทุกคนมาพบเข้ากับลักษณะเป็นรอยลึกจมลงไปในพื้นทรายรอยแรกอันประทับอยู่ห่างจากบริเวณแอ่งน้ำประมาณสิบสองเมตร ทุกคนช่วยกันใช้ไฟฉายและแสงจากใต้ส่องตรวจไปยังรอยนั้นทันทีอย่างพินิษพิเคราะห์ใคร่ครวญหนนะักทั้งหมดเงียบกริบกันไปชั่วขณะแม้แสงสว่างจากลำไฟฉายส่องสัตว์และใต้สองอันจะไม่สู้กระจ่างชัดนักก็ตามแต่ร่องรอยที่ปรากฏอยู่ก็ยังพอที่จะสังเกตอะไรได้ดีพอสมควรรอยนั้นไม่ได้เป็นรอยที่เกิดจากธรรมชาติ แต่เป็นรอยของอะไรสักอย่างหนึง่งที่มีน้ําหนักตัวมหาศาลได้เหยียบเอาไว้น้ําหนักตัวของมันทําให้ปรากฏเป็นหลุมค่อนข้างลึกแม้พื้นดินข้างล่างเป็นพื้นหินแข็งก็ตามมีรอยนิ้วเท้าที่แยกปลายห่างจากกันกว้างมากเกือบห้าหรือหกฟุตในระหว่างรอยแยกของนิ้วอันสันนิษฐานว่าหน้าจะมีเล็บแหลมคมนั้นและเส้นผ่าศูนย์กลางคาเนด้วยสายตาเปล่าไม่ต่ํากว่าสิบฟุต ดารินและชยันกระโดดข้ามขอบของรอยเท้าลงไปส่องไฟดูส่วนที่มันย่ําประทับลงไปโดยเฉพาะบริเวณที่มีรอยเล็บจิกขยินกับนันอินตรวจ ด, ดูตาม ร, รอบขอบอันเป็นดินทรายเพื่อหาความเก่าใหม่ของรอยส่วนเชษฐาและอนุชายืนกาดล้ำไฟฉายเพื่อตรวจหารอยเท้าอีกข้างหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงชัดมัน ไอ้มหายักโคดเฮียอย่างเดียวกันที่เราเคยวิ่งกันตับซึดมาแล้วสิยงชา ย, ยันร้องออกมาหนักๆภายหลังจา ก, กมก้มเง ย, เงยรั่วจใจกลางรอยและซุบซิบอะไรกระดารินอยู่ครู่หนึ่งมีรอยเท้าที่สองในลักษณะเบนหัวกลับห่างออกไปทางขวามือนี่ประมาณ1ิบเมตรนะส่วนรอยลากที่รอยหางที่ลากบัดไว้อยู่ทางด้านโน้นพื้นทรายเรียบเป็นแปลงเลย อนุชาบอกลงมาตัวเขาเองกับอนุชาเดินตรงไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งดารินและชัยยันจึงกระโดดพ้นจากรอยนั้นตกปลยขยินและนานอินให้ตามคนทั้งคู่ไปเป็นอย่างที่เชษฐาบอกไว้ทุกประการทั้งสองคนคงจะปรึกษาหารือและชี้ตำแหน่งให้ดูกันไว้ก่อนแล้วเจ้าสัตว์ใหญ่เจ้าพิภพเมื่อยุคอดีตการของโลก ทำร่องรอยการปรากฏกายของมันไว้อย่างเด่นชัดอย่างบริเวณขอบขอบแองรอยเท้าที่ก้าวเดินเหยียบประทับไว้บนพื้นทรายรอยลากและกวาดถางอันมหึมาเต็มไปด้วยพลังทำให้พอจะคันเนทิทางการเคลื่อนไหวตัวของมันได้ว่ามันบ่ายหน้ามาจากทางใดและกลับไปทางใดดูให้แน่นะมันอาจจะเป็นรอยธรรมชาติอย่างอื่นก็ได้ เช่นรอยที่เกิดจากพายุหมุนหรือลม ง, งวงช้างหรือวิะนั้นก็เป็นรอยเก่าแก่โบราณ น, นับล้านล้านปีมาแล้วฉันบอกกับทุกคนแล้วว่าชั้นกับลุงอินไม่เคยพบเห็นมาก่อนแต่ฝ่ายของพี่ใหญ่ชยันน้อยแล้วก็ขยินน่าจะรู้ดีที่สุดมีความเห็นกันยังไงก็ขอให้ช่วยพิจารณาดูแล้วกันอนุชาบอกมาชัยยั น, นตกอยู่ในอาการเคร่งครึมคิดหนัก พยานนั้นเชิฐานน่าจะหนาวแสนหนาวสักปานใดก็ตามบัดนี้ภายในของเขาร้อนรุ่มไปหมดพูดอะไรไม่ออกได้แต่กรอกหน้าส่วนขยินเดินขาสั่นมองเห็นได้ชัดคงมีกระตดารินคนเดียวเท่านั้นที่เดินตรวจร่องรอยไปอย่างละเอียดรอบคอบไม่มีปฏิกิริยาสะดุ้งสะเทือนใดๆทั้งสิน้นเหมือนกับว่าหลอนตรวจพบรอยสัตว์ป่าธรรมดาธรรมดาชนิดหนึ่ง ขยินกัลุงอินพอจะตรวจได้ไหมว่ามันเป็นรอยที่เกิดขึ้นนานสักเท่าไหร่แล้วอดีตท่านทูตทหารบกถามเสียงต่ำลึกขึ้นในขณะที่ส่องไฟค้นหาออกไปเบื้องหน้าถาัดจากรอยเท้าที่สองไปอีกนันอินยืนนิ่งเหมือนจะภาวนา่รายคาถ า, าอะไรของแกอยู่เป็นครู่จึงตอบด้วยน้ำเสียงเรียบปกติขึ้นมาว่านาย จากขอบรอยดินที่มันเหยียบไวเราสามสี่วันมาแล้วแต่คงไม่เกินอาทิตย์มันเดินมาจากด้านใต้ของแองนี่ทาท่าเหมือนจะเดินลงแองแต่แล้วก็บ่ายหัวกลับขึ้นไปเดินด้วยขาหลังสองขาเท่านั้นไม่มีรอยของขาหน้าเวลาเดินหางใหญ่ลากดินไปด้วย หางมันกวาดพื้นเตียนโล่งไปเลยน้อยเธอกจัชรยานลงไปตรวจ ด, ดูอย่างละเอียดแล้วสำหรับรอยแรกนะมีความเห็นว่ายังไงเชตฐาถามไปทางน้องสาวผู้กำลังตรวจอยู่ยังบริเวณพื้นเรียบเรากับใครเอาไม้กวาดขนาดใหญ่มาปาดพื้นทรายไว้ขนาดรอยเท้าระยะก้าวเดินแต่ละก้าว และรอยหางที่ลากปัดพื้นไว้น้อยคิดว่าพี่กลางคำนวณน้ำหนักตัวของมันคลาดเคลื่อนไปนะคะแทนที่จะเป็นยี่สิบตันมันน่าจะมากกว่านั้นอีกเท่าตัวและส่วนสูงก็น่าจะประมาณสักตึกสี่ชั้นใหญ่กว่าตัวที่พี่ใหญ่ระพินแล้วก็แงซายชื่อกันถล่มด้วยธนูติดระเบิดไนโตรตัวนั้นมากนะัก ใหญ่กว่านั้นอีกเลยชัยันหลุดปากอุทานออกมาแทบลมทั้งยืนไม่มีปัญหาใหญ่กว่าร่วมเท่าตัวทีเดียวแล้วก็น่าจะเป็นพันเดียวกันซะด้วยทั้งทั้งที่ประวัติทางโบราณชีวศาสตร์ไม่เคยค้นพบว่าจะมีขนาดใหญ่ถึงขนาดนี้มาก่อนนอกจากไดโนโประเภทกินพืชที่แช่ตัวอยู่ในหนองบึงเท่านั้นแ้วก็ดีแล้ว ขอยใหญ่ไว้มากๆเถอะมันจะได้มองเห็นเราเป็นเพียงแค่มดปลวกแล้วอาจจะมองผ่านไปโดยไม่สนใจอะไรอีกอย่างหนึง่งรอยเท้าก็ปรากฏมาตั้งสามสี่วันแล้วบ่า น, นี้ก็น่าจะไปห่างไกลลิฟไม่น่าจะมีอะไรต้องกังวลหรอกเออถ้าไปลิฟก็ดีอะแต่ถ้ายังป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยชัยยันคราง ไม่มีใครโชคดีหรือโชคร้ายที่จะได้พบเห็นไทแรนโนซอรสัสถึงสองครั้งหรอกฉันคิดว่าเราพบเห็นอยู่เนี่ยน่าจะเป็นร่องรอยที่พยามาแห่งไพรอาถันแกล้งทําลวงตาไว้เราเห็นเพื่อเป็นการทดสอบขวัญและกําลังใจของพวกเราเสียมากกว่าถ้าเราไม่วิตกกังวลให้มากเกินไปนะักเราก็น่าจะผ่านพ้นไปได้ ด, ด้วยดีก็ดีแล้วที่พี่กลางพาไมา้เห็น แต่เราก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจอะไรทั้งสิ้นกลับกันนะคะสําหรับน้อยไม่ได้สนใจอะไรกรอยเท้าประหลาดชนิดนี้เลยสักนิดนึง่งกล่าวจบดารินก็หันไปคว้าแขนขยินชวนเดินกลับอย่างง่ายๆโดยไม่สนใจอะไรขยินในะยังหน้าซีดเหลือสองนิ้วทําเสียงอึ ก, อ, กอักอกึกอักในลําคอดารินก็เลยตบพลัวเข้าไปที่หลังโดยแรง และกระชากให้ล่วงหน้ากลับที่พักด้วยกันซึ่งมันก็กล้าวตัวปลิวไปกระหล่อนในทันทีคงปล่อยทิ้งให้อนุชาช ย, ยันและเชษฐารวมทั้งนันอินยืนมองตามหลังไปความรู้สึกตื่นเต้นประหลาดใจที่มาพบกระรอยเท้าสัตว์ดึกดำบรรอันเต็มไปด้วย อ, อำนาจและความดูร้ายหน่าสะพึงกลัวมันยังน้อยส ก, กว่าความประหลาดใจ ในท่าทีอันไม่สนใจใยดีอะไรของน้องสาวคนเล็กเสียซ้ำไปเออแปลกมากแปลกจริงๆดูน้อยไม่พรันพึ่งหวั่นไหวอะไรเลยต่ร่องรอยที่เห็นอยู่เนี่ยชัยันพึ่มพัมออกมาขณะที่มองตามหลังหญิงสาวไปซึ่งบัดนี้เห็นแต่จุดสว่างของดวงไฟฉายที่ส่องเป็นระยะในพื้นที่อันโล่งโปร่งตานั้น รู้สึกน้อยจะมีความมั่นใจอะไรสักอย่างมั่นใจมากซะด้วยก็ดีที่เขาไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยต่างกว่าสมัยก่อนนี่มากเชิถามบอกมาเบาๆเรื่องนี้พี่ใหญ่กระชยันมีความคิดต่อไปยังไงละครับสำหรับรอยไอ้ยักษ์ที่เราเห็นเนี่ยอนุชาถามเสียงแปลงปลา嘛 แล้วเธอกับลุงอินน่ะคิดไงผมว่าพยายามหลบมันให้ไกลที่สุดอย่าให้พบกันได้เลยอย่เป็นดีแล้วถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เรานะ่ะมีโอกาสเห็นมันแน่นอนนะครับเพราะตัวมันใหญ่มากคงย่องเงียบๆมาหาเราไม่ได้หรอกผมแน่ใจว่าเครื่องยิงระเบิดเอ็มเจ็ดเก้าสองระบอกนะพอรับมืออยู่ขอให้มีไหวพริบ ป, ปฏิพาน และยึทธวิธีที่ถูกต้องเท่านั้นอีกฝ่ายนึงตอบอย่างเต็มไปได้วความมั่นใจพี่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเอาว่าเรารู้ตัวล่วงหน้าและเตรียมพร้อมไว้ก็ดีแล้วแต่ขณะนี้พี่คิดว่ายึดหลักตามแนวความคิดของน้อยไว้ก่อนแลย ก, ก็จะช่วยเราสบายใจขึ้นนั่นก็คือเราไม่ควรจะต้องพบเห็นมันในเส้นทางข้างหน้า แ่ก็อย่าไปคิดอะไรตามน้อยมากนักนะครับเพราะความรู้สึกนึกคิดของเขารู้สึกมันจะวิปริตผิดอาเพศไปซ ะ, ะละนับตั้งแต่ออกติดตามระพินมาในครั้งนี้คนสติครบชัมวโองไรบ้องบ้องยังไงชอบก้นในสมัยที่พี่ใหญ่ประจันหน้ากับไอสัตว์โลกล้านปีชนิดนี้มันหนักมากไหมครับเชิายิ้มขรึมขึ ม, ขมตอนนั้นเราก็เกือบจะพินาดกันทั้งคณะนะ สบักสะบอมกันทั่วหน้าทุกคนเราทั้งหมดคิดเพียงว่ามันเป็นฝันร้ายในคืนวิปริตเท่านั้นไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นความจริงในครั้งนั้นนะ่ะพี่มีระพินแล้วก็แงซายเป็นคู่คิดคู่ผจนแก้ไขเหตุการณ์แต่ในครั้งนี้พี่ก็มีชดประชากรแล้วก็หนานอินพี่ไม่หวั่นอะไรเหมือนกันไปเรากลับกันเถอะยืนตรงนี้ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็หนาวเหลือเกิน น้อยกับขยินนุ่นเดินไปเกือบถึงคนะัมละกลุ่มสีคนพากันเดินกลับระหว่างทางเชษฐาก็วิทยุเรียกไปยังดารินก่อนที่หล่อนจะเข้าไปถึงที่พักเมื่อน้องสาวตอบรับมาเขาก็สั่งสั้นๆว่าอย่าให้ขยินผู้ไรกับพวกลูกหาบทั้งสิ้นนะน้อยเดินไว้ด้วยค่ะไม่ต้องห่วงแล้วครับพี่ใหญ่ ดารินั้นเมื่อกลับเข้ามาถึงที่พักก็ไม่พูดอะไรกับใครทั้งสิ้นเดินไปที่กองสัมภาระหรือคนทู่นำออกมาเก้าดอกจุดไฟขึ้นพอติดไฟสงควันขโมงก็ก้าวห่างออกจากบริเวณที่พักนอนอันลูกหาบจัดไว้ให้แล้วเล็กน้อยหันหน้าไปทางทิศเหนือปักธูปลงกับพื้นสุดตัวลงนั่งพับเพียบกราบลงกับพื้นแม่พระธรณี แล้วพนมมือหลับตานิไยของพี่ชายก้าวเข้ามาถึงแลไปที่น้องสาวแต่ก็ไม่มีใครเข้าไปผู้จาหรือรบกวนใดๆทั้งสิน้นนอกจากจะนั่งดื่มกาแฟผิงไฟคุยกันเบาๆนานๆก็จะชำเลืองไปทางด้านน้องสาวผู้ไม่ติงกายเหมือนจะจมดิ่งอยู่ในสมาธิจิตอันแน่วแน่สักครั้งทูบหมดไปประมาณสามในสี่ของดอก หล่อนจึงก้มลงกราบกระพื้นอีกครั้งแล้วลุกขึ้นเดินเข้ามาหากลุ่มของพี่ๆด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยเหมือนเดิมสุดตัวลงนั่งผิงไฟในกลุ่มของพักพวกชายันรินกาแฟส่งให้ไงบวงสวงรั่บวบนอะไรอะน้อยชายันถามมาเสียงเบาๆหล่อนเอามือกดที่เปลือกตาแล้วก็ลืมขึ้นเปลา ไม่ได้บวงสวงหรือบนอะไรหรอกแต่กราบขอพรมาหาฤอษีโกนธัญญแห่งภูเขานิลกาลขอให้พวกเราทั้งหมดได้เดินทางไปถึงภูเขานิลกาลให้เร็วที่สุดแล้วก็ขออย่าให้มีเพศภัยใดๆเข้ามากล้ำกลายราวีพวกเราทุกคนขอให้ท่านเข้าดลใจให้เราเลือกเส้นหนทางที่ถูกต้องและปกปักคุ้มครองให้เราด้วยดี ขณะนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการขอบา ร, รมีต่อพระอรหันต์เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงให้ช่วยคุ้มครองรักษาพวกเราทุกคนแต่ขนาะนี้นะเราเริ่มจะขาดเสบียงแล้วนะถ้านน้อยยังยึดหลักไม่พวกเราคนใดยิงสัตว์เราก็คงจะเดินทางไปได้อีกไม่ไกลหรอกก็คงจะอดตายกันก่อนไอจะอาศัยแต่หัวเผือกหัวมันมันไม่ไหวนะ่ะแล้วก็หาไม่ได้ด้วย พี่ชายคนที่สองบอกมาเสียงต่ำๆไม่บอกแล้วไงคะพี่กลางว่าทับเฉพาะเพื่อการยังชีพหรือเพื่อการป้องกันชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ได้จะห่วงห้ามหรือตั้งเป็นกฎเทียบขาตายตัวไวหรอกเพียงแต่ว่าเราจะไม่ทำอันตรายสัตว์ใดๆโดยไม่จำเป็นเท่านั้นพี่กลางก็ไม่พยายามจะฟังหรือเข้าใจน้อยถูกต้องเองอะ เอาเ อ, า เ, อาเอาละเข้าใจแล้วแล้วก็ขอรับปฏิบัติตามสั่งโดยเคร่งครัดตอนนี้อยากให้ทุกคนเข้านอนได้แล้วเพื่อเอาแรงไว้พรุ่งนี้ต่อไปทุกคนได้รับคําสั่งให้เข้าประจําที่นอน ท, ทันทีดารินตรวจสอบอาการของพวกลูกหาบทุกคนโดยทั่วหน้าแจกยาให้กินแล้วเข้าประจําที่นอนของหล่อนซึ่งอยู่ในวงล้อมของพวกพี่ๆและพรานพื้นเมืองทั้งหลาย พนมมือไว้เหนือสวงอกสวดมนต์ภาวนาไปจนกระทั่งหลับ